มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปัญจมวักขีนาสวานังอภายนะปัญหาที่เจ็ดถามว่าพระขีนาศบไม่กลัวไม่สะดุ้งเหตุไรเมื่อพระเทวทัตปล่อยช้างจึงพากนันหนีไปสิน้น สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีอุดมมกษัตร์มีพระราชโอง่งการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสณผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้วยปรีชาญาณอันประเสริฐสมเด็จพระบรมโลกกนณาศาสดาจารย์เจ้ามีพระพุทธดีการตรัสประธานธรรมเทศนาไว้ว่าพระอระหันต์ทั้งหลายจะได้สะดุ้งตัวกลัวภัยต่างหาไม่ได้ ตกว่าพระพุทธดีกาตรัตชนี้ก็ครั้งเมื่อสมเด็จพระศรีสันเพชรสด็จเข้าไปทางบินธบาีในกรุงราชครืมหานคร น, นั้นพระอรหันเจ้าตามสเสด็จพระพุทธดำเนินเข้าไปมิใช่น้อยประมาณถึงห0 0กับพระอาณ น, นทเทระผู้เป็นพุทธอุปถาพระเทวทัตปล่อยช้างธนบานหวังจะให้แทงพระองค์สมเด็จพระสัพพันยูเจ้า ขณะนั้นพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายห้าร้อก็ถอยหนีซุกซ่อนไปเหลือแต่พระอานนทเทระผู้เป็นพุทธอุปถากผู้เดียวไม่มีความเกรงขามบททจรตามเสด็จอยู่พระอานนผู้เดียวยังไม่ได้มักและผลเป็นปุถุชนประกอบด้วยกิเลสหมกไหมยอยู่ในสันดาลฉไหนน้ำใจจริงไม่กลัวช้างธนบานเมามัน พระอระหันต์สิ้นอาสวะกลับกลักลวช้างธนาบานพากันทิ้งสมเด็จพระบรมโลกุฏตมาจารไว้แล้วหนีไปไม่เหลือหลอนี่แหละความข้อนิยมสงสัยนักพระอระหันต์เหล่านั้นจะทิ้งพระบรมครูเสียด้วยความกลัวหรือจะทิ้งเสียด้วยมณสิกานกําหนดในใจจะให้พระบรมครูปรากฏด้วยกรรมของพระองค์อันได้ทรงทําไว้แต่ครั้งก่อน หรือใครจะเห็นปาฏิหาริย์อันบวรของพระมุนินทร์สุขคตเจ้าจึงได้พากันย่างเท้าก้าวหนีไปเสียความข้อนี้เป็นประการใดนิมนต์แก้ไขให้ประจักษ์แจ้งยมแคลงใจนักหนาเทรูอาหะฝ่ายพระนาคเกษนผู้ปริชาเฉลิมปราดมีเถระวาจาวิสัชนาว่ามหาราช ขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารเมื่อสมเด็จพระบรมโล ก, กนนาณาศาสดาจารย์สเสด็จขมนาการเข้าไปพิขาจารกับพระอรหันห้าร้อพระเทวทัตปล่อยทนบานหัดถีมาพระอรหันต์ทั้งหลายพากันลีกหนีไปเสียนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจะได้พากันลีกหนีไปด้วยความกลัวช้างหรือด้วยคิดจะทิ้งให้พระสัพพันญูปรากฏตามกรรมของพระองค์ ดังบ่อพิษว่านั้นหาไม่ได้ที่จริงมหาราชะขอถวายพระพรใจของพระอรหันต์ก็เหมือนกันกับพื้นธรณีและจอมคีรีขุนเขาสิเนรุราชมิหวาดหว้กลัวภัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยมหาราชขอถวายพระพรพื้นพระธรณีนี้ถ้ามีผู้ใดใครมาขุดหรือให้พังทำลายลง จะรู้กลัวหรือสะดุ้งตกใจประการใดบ้างหรือหาไม่ได้นะบ่อพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นภูมิบาลมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคาเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าพื้นธรณีนั้นจะได้รู้กลัวหรือสะดุ้งตกใจประการใดก็หาไม่ได้พระนาคเสนจึงมีเถระวาจาถามว่ามหาราชา ดุราณะบพิษผู้ประเสริฐพื้นธรณีนั้นไม่รู้กลัวหรือสะดุ้งตกใจด้วยเหตุการณ์อย่างไรเล่าขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาพื้นธรณีไม่รู้กลัวหรือสะดุ้งตกใจนั้นก็เพราะพื้นธรณีนั้น จะได้มีเหตุที่จะให้กลัวสะดุ้งตกใจอย่างใดอย่างหนึ่งหาไม่ได้พระนาคเสนจึงมีเถระวาดถวายพระพรเป็นอุปมาว่ามหาราชะดุรานะบพิษผู้ประเสริฐพื้นธรณีไม่กลัวไม่สะดุ้งด้วยไม่มีเหตุที่จะให้กลัวให้สะดุ้งนั้นมีขรุวนาฉันใดเอวเมวะโโค พระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลายก็ไม่กลัวไม่สะดุ้งด้วยไม่มีเหตุที่จะให้กลัวให้สะดุ้งฉะนั้นมหาราชะขอถวายพระพรประการหนึ่งจอมคิลีขุนเขาพระศิเนรุราชถ้ามีผู้ใดใครผู้หนึ่งมาพังให้ทำลายและทุบต่อยตีหรือเอาอาคีเข้าเผาพลานขุนเขานั้นจะสะดุ้งตกใจประการใดบ้างหรือหาไม่ ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาจึงตรัสว่านหิพันเตข้าแต่พระนาคเษนผู้จำเรินขุนเขาพระศิเนรุราชนั้นจะ ก, กลัวหรือสะดุ้งตกใจก็หาไม่ได้พระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่าเกนะการเนนะขุนเขานั้นไม่กลัวไม่สะดุ้งตกใจ ด้วยเหตุการ์อย่างไรเล่ามหาบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปินภูมิบาลจึงตรัสว่าพันเตนาขาเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาขุนเขาพระศิเนรุราชไม่กลัวไม่สะดุ้งตกใจนั้นก็เพราะขุนเขาพระศิเนรุราชนั้นจะมีเหตุให้รู้กลัวรู้สะดุง้งอย่างใดอย่างหนึ่งหามิได้ พระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะดูราณะบพิษผู้ประเสริฐขุนเขาพระศิเนรุราชไม่กลัวไม่สะดุ้งด้วยไม่มีเหตุจะให้สะดุ้งนั้นมีขรุวนาฉันใดเอวะเมวะโขพระอระหันต์ขีนาศพเจ้าทั้งหลายก็ไม่กลัวไม่สะดุ้ง ด้วยไม่มีเหตุที่จะให้กลัวให้สะดุง้งฉะนั้นมหาราชะขอถวายพระพรทว่ามหาชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งในหมื่นโล ก, กธาตุนี้มีมือถือหอกอันขมกล้าทุกตัวคนเอกังอรหันตังปริวาเรตวาพึ่งพากันไปแวดล้อมพระอรหันต์องค์หนึ่งทำเป็นดังว่าจะทิ่มแทงให้ถึงแก่ชีวิตอันตราย ด้วยอาการดุร้ายน่าพึงกลัวก็ไม่สามารถจะทําให้พระอรหันต์องค์หนึ่งนั้นสะดุ้งตกใจได้แม้ความหวาดวันแห่งจิตของท่านสักขนหนึ่งก็ไม่มีเพราะท่านเป็นผู้ไกลแล้วจากเหตุแห่งความกลัวไม่มีเหตุอะไรจะมาทําให้ท่านกลัวได้เลยมหาราชขอถวายพระพรประการหนึ่ง พระอราหันห้าร้อยองค์นั้นเมื่อช้างธนาบานวิ่งมาจึงดำริพร้อมกันชนิว่าอัตมาจะตามเสด็จพระพุทธดำเนินอยู่ไม่ชอบกนคุณของพระอานนุ์ผู้เป็นปุถุชนจกไม่ปรากฏแก่ประชาชนทั้งหลายพระอานนุ์เป็นพุทธอุปถากมีความรักใคร่ในสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าถึงกับสู้เสียชีวิตแทนพระองค์ได้ แม้เป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่คลั่นคล้ามต่อความตายเสดายชีวิตอุตสาหะตั้งจิตบริจาคถวายสมเด็จพระจอมไตรโลกกานาเจ้าพระอระหันต์ทั้งหลายห้าร้อยนั้นมีความประสงค์จะประกาศคุณของพระอานนุนให้ปรากฏดังนี้จึงทำเป็นกลัววิ่งหนีช้างธนาบานไปแต่ที่จริงใจของท่านจะได้พรั่นพรึงสักหน่อยหนึ่งก็หาไม่ได้ ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้สวนาการก็สิ้นสงสยัยสงสาธุการชื่นชมปรีชาญาณของพระนาคเส์ผู้เฉลิมป ร, ราดก็มีในการครั้งนั้นคีนาสวานังอภยณะปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเพียงนี้